ตอนมงกุฎไพรบทประพันธ์ของพนมเทียนอ่านโดยมณีรัตน์อัศวิสราพรลุงแน่ใจหรือท่านหัวหน้าคณะพี่ชายใหญ่ถามในเสียงกระซิบเช่นเดียวกันรู้สึกร้อนๆนหนาวๆขึ้นมาในทันทีไม่มีอะไรที่จะทำรอยอย่างนี้ได้หรอกนายใหญ่นานอินเคยพบเห็นมาก่อนแล้วสมัยก่อนนี้ก็เพียงแต่เห็นรอยอย่างนี้เท่านั้น ยาว่าแต่แถาวันแห้งนี่เลยต่อให้พื้นหญ้าสดหรือป่าเขียวๆ ย, ยังไม่เป็นทางไม่มีเหลือลุงแน่ใจหรือว่าเป็นสัตว์ชายยันถ้า ม, มาบ้างแหบตำ่ำสีหน้าปั้นยากที่สุดนานอินก็จัดประเภทไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรเพราะก็ไม่เคยเห็นตัวจริงสักทีและไม่อยากจะเห็นด้วยก็แปลว่าเขาผ่านมาทางนี้ ความร้อนจากตัวจะเกิดด้วยอะไรก็ตามทําให้รอยที่ผ่านไปไม่เกรียมไปหมดใช่ไหมครูผู้เฒ่าตอบไม่ได้นอกจากยิ้มออกมาอย่างแห้งแล้งที่สุดพึมพําไปอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าด้วนมันรู้มันถึงได้มาดักหน้าเราไว้ไม่ให้มาผ่านทางนี้ถ้ามันจะไม่เข้าทีเสีแล้วแหละนายพอจะตรวจดูร่องรอยได้ไหมว่าผ่านไปกี่วันแล้ว เชษฐาสอบถามต่อไปจากรอยไหม้รอยขี้เท้าบางส่วนของเทาวันพวกนั้นเขาน่าจะเลื้อยผ่านไปเมื่อสองสามวันนี่เองอย่างเดียวกับรอยไฟไหม้ทุ่งที่เราพบมาแล้วนั่นแหละว่าแล้วแกก็ขยับจะเข้าไปตรวจดูรอยไหม้เกรียมตามกิ่งเทาวันนั้นใกล้ๆเพื่อพิสูจน์แต่อนุชาคว้าแขนไว้อย่าเข้าไปใกล้รอยไหม้ลุงอิน มันอาจมีอะไรบางอย่างที่เป็นอันตรายหลงเหลืออยู่ในรอยไหม้เกรียมเหล่านั้นก็ได้สังเกตดูเจ้าด้วนก็ยังไม่กล้าเข้าไปใกล้ระหว่างพรานคู่ชีพชงงะงักอนุชาหันมาทางพักพวกพี่น้องบอกตามๆว่าอาจมีกรดหรือสารเคมีอะไรเป็นพิษตกค้างอยู่ก็ได้ครับเพราะยังเป็นระยะเวลาที่ไม่นานนะผมว่าพวกเราอย่าพยายามเสียดเข้าไปใกล้กว่านี้จะดีกว่า กระดาษยืนอยู่ห่างๆและรอยไม้ดับมอดไปแล้วก็ตามผมรู้สึกเหมือนเรายืนอยู่หน้าเตาไฟงั้นแหละใครรู้สึกเหมือนผมบ้างหรือเปล่าใช่มันร้อนระอุยังไงบอกไม่ถูกจะว่าอุปทานก็ไม่เชิงชายยันเขย่าคอเสื้อตนเองและทุกคนก็ยิ่งเหงื่อท่วมจนเปียกชุ่มไปทั้งตัวอีกครั้งเชษฐาใช้สัญญาณชูนิ้วขึ้นสูงแล้วดีดโดยแรงทันที ทุกคนมองมาที่เขาก็เห็นสัญญาณจากเสนาธิการของคณะโบกมือให้พระถอยห่างรอยที่ดูเหมือนมีซุงใหญ่ติดไยลากผ่านหน้านั้นด้วยถอยออกไปอีกเจ้าด้วนเองขนาดเป็นสัตว์ใหญ่แทๆ้ๆก็ยังกระสับกระส่ายดูท่ามันไม่เป็นสุขนะักหมุนวนอยู่ตรงนั้นพอเห็นฝ่ายมนุษย์ค่อยๆถอยห่างมันเองก็ก้าวขยับห่างออกมาด้วยชูงวงร่อนเหมือนจะสูดหากลิ่นไอบางอย่าง ดารินกัดตริมฝีปากเบาๆป้ายแขนเช็ดเหงื่อบนหน้าผากอันกำลังจะย้อยเข้าตาเอ่ยขึ้นเบาๆว่านึกแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเจ้าด้วนคงจะไม่มาขวางหน้าเราไว้หรอกจะทำยังไงต่อไปล่ะพี่กลางลุงอินประโยคหลังหล่อนหันมาถามอดีตพรานชดกับครูพรานผู้เท่าซึ่งทั้งสองก็ยังอึ้งงานอยู่ชนิดตัดสินใจอย่างไรไม่ถูก ขณะนั้นเองขยินผู้ดำดอมมองมอ ง, ม อ, งอะไรอยู่ท้ายขบวนสุดก็ย่องกลิบเข้ามากระซิบร้อนรอ น, รอนบอกทุกคนว่าทางด้านโน้นไม่ห่างนะักมีดินโป่งใหญ่มากรอยควายป่าเป็นรอยมากินและมีหล่มโคลนด้วยรอยของมันแล่นเตลดิดลงไปในทุ่งข้างล่างอย่างกระทันหันทุกคนรอยอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนานอินไปดูเองครูพรานบอก แล้วยักหน้าให้ขยินนำไปโดยเร็วขณะที่เชษฐาชัยยันอนุชาและดารินต้อนพวกลูกหาบให้ห่างร่องรอยเหล่านั้นออกมาอีกเจ้าดวนก็พลอยถอยร่นเข้ามาร่วมคณะอยู่ด้วยราวกับจะเป็นช้างเลี้ยงอันร่วมทางมาด้วยเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันไม่ทำเสียงใดๆทั้งสิ้นนอกจากสงบนิ่งเธอคิดยังไงกลาง เทพาขอความเห็นน้องชายในฐานะที่เป็นมัคุเทสดาทางอดีตพรานชดเอามือขยี้ปลายคางช้าๆประเดี๋ยวรอฟังความเห็นของลุงอินอีกครั้งดีกว่าครับผมเองถึงแม้จะเคยบุกบั่นผ่านป่า ด, ดํามาก่อนแล้วแต่ในสมัยที่ผมไปกับลุงอินก็ยังไม่พบเห็นอะไรที่แปลกประหลาดพิสดารเท่ากับคณะของพี่ใหญ่ที่พบกันมาแล้ว มันเป็นอาณาจักรมืดที่เราไม่สามารถจะทำงานอะไรได้ถูกเลยและอันตรายทุกปีก้าวย่างจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติตอนนี้ผมยังตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันแต่ขอยอมรับว่าเจ้าด้วนของน้อยมันทำหน้าที่เป็นมัก ค, คุเทศนำร่องคอยบอกเหตุเตือนให้เราทราบจริงๆถ้าขนาดช้างป่ายังแสดงความประวัติพรันพึงในร่องรอยที่เราเห็นอยู่นี่ มันก็น่าจะบอกชัดแล้วถึงอันตรายที่ขวางดักหน้าในหนทางที่เราจะบ่ายหน้าไปเรารู้กันอยู่แล้วว่านารกดําเป็นแดนสนธยาและสตร์สิ่งในแดนสนธยาย่อมเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่เราจะศึกษาเรียนรู้ได้หมดสิน้นหรือเอาหลักเกณฑ์ของวิชาศาสตร์แขนงไหนเข้ามาประยุกต์เพื่อหาค ED ได้นี่จะเป็นสิ่งบอกเหตุเตือนให้เราหันหลังกลับหรือเปล่านี่ชายยันเอ่ยขึ้น ได้ริ้สันติสะถ้าจะเป็นสิ่งบอกเหตุก็จะบอกเหตุให้เราเปลี่ยนทิศทางเสียให้ถูกต้องเท่านั้นนี่เป็นความมั่นใจของฉันท่ามกลางความเงียบงา น, นดาสิ่งใดไม่ถูกข้าคิดไปถึงสิ่งที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าไม่ได้ทั้งหนานอินและขยินก็ย้อนกลับมาอีกครั้งอย่างเร่งด่วนนายจริงอย่างขยินว่าลงจากมอนี่ไปนิดเดียวเท่านั้นเป็นบริเวณดินโป่งใหญ่มาก มีปลากลโนขนาดใหญ่ราวกับบึงโคลนรอยมหิงสาฝูงใหญ่นับไม่ถ้วนลงกินและเกลือปลักกันอยู่ที่นั่นแล้วจู่ๆพวกมันก็เห็นตเตลิด ก, กันไปทั้งโขลงเลยลงทุ่งแฝกที่แวดล้อมอยู่รอบขุ้นเขานี้มันจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างมาทำให้มันตื่นตกใจนีภัยและภัยที่ว่านี้ก็ไม่ใช่อะไรการเลื้อยมาของสางห่าที่เราเห็นรอยอยู่นั่นเอง ไม่มีสัตว์อะไรจะทนรอน้าสิ่งประหลาดนี้ได้หรอกเพียงแค่กระสาไอร้อนและพิษจากตัวที่แพร่รัศมีออกไปเท่านั้นสัตว์ทุกชนิดก็เพ่นกันกระเจิงแล้วเท่าที่หนานอินรู้มาลุงอินดารินเอ่ยขึ้นเรียบเรียบอย่างไม่คลั่นคร่มอะไรทั้งสิน้นสติของหล่อนมั่นคงดีที่สุดในขณะที่ทุกคนกระับกระาย ถ้าลุงพอจะอธิบายให้กระจ่างได้มากกว่าที่อธิบายมาแล้วฉันอยากจะรู้จักสิ่งที่ลุงเรียกว่าสางหาให้มากกว่านี้แกยิ้มเฟือนองฟืดที่สุดนายหญิงก็เป็นคนมีวิชาอยู่เหมือนกันเพราะร่ำเรียนมาจากนายรพินยิ่งกว่านั้นก็มีอรหันต์หลายองค์คุ้มตัวอยู่เอาไว้เวลาที่สงบกว่านี้นายหญิงลองนั่งทูบดูอาจมองเห็นได้ดีกว่าที่นานอินจะบอก เพราะนานอินบอกแล้วว่าไม่เคยพบเห็นเคยเห็นแต่รอยเท่านั้นแลวก็เห็นไม่บ่อยนกะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในชีวิตเดินอยู่กลางดงลึกของนานอินและเวลาลุงพบรอยลุงทำยังไงจบมือบูชาคาระวะสมาทิติ0นิ้วต่างทูกเทียนภาวนาขอให้เปิดทางขออยาให้เผชิญหน้าพบเห็น และไม่คิดที่จะใช้วิชาอาคมอะไรเข้าต่อต้านเขาทั้งสิ้นนอกจากอย่างเดียวขอความเมตตาขอสวัสดิภาพให้แก่ชีวิตเท่านั้นแกบอกเสียงแหบแป่งเท่าที่ฉันเห็นอยู่นี่หลอนเอ่ยช้าๆเหมือนจะกล่าวกับตนเองสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่มีธาตุเป็นเตโชก็คือธาตุไฟนั่นแหละไฟจากบาดาลคุ้มที่ลึกที่สุด เพราะฉะนั้นพูดกันตรงๆเลยสางหาที่ลุงเอ่ยเรียกนามเขานั่นนะ่ะจะเป็นไปได้ไหมที่เรารู้จักกันในโลกอีกโลกหนึ่งมีชื่อว่านาคีหรือพญานาคนานอินไม่รู้นานอินร่ำเรียนไปไม่ถึงใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ทั้งนั้นพี่ชายและเพื่อนหันไปทางหล่อนเป็นตาเดียวเชษฐาถามว่ามีอะไรที่ทำให้น้อยพูดอย่างนี้ เส้นพิเศษที่น้อยก็บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะการเดินทางมาในครั้งนี้น้องมีอะไรแวบขึ้นในดวงจิตส่วนลึกอยู่ตลอดเวลาเหมือนมหาฤาษีโกนธัญญะมาคอยกระซิบบอกตลอดเวลามันรู้สึกว่าจะประสานกันได้กับจุดหมายที่ลุงอินบอกให้เรารู้กันล่วงหน้าถ้าไม่พบรอยนี้ก่อนลุงอินบอกว่าเราจะมุดลอดเข้าถ้ำอะไรนะไหนบอกสิ พี่ชายและเพื่อนฟูงเงี่ยหูฟังหลอนอย่างสนใจเป็นพิเศษนานอินบอกเบาๆว่าถ้ำนาคราชหญิงสาวยิ้มครึมๆดวงตาเป็นประกายประหลาดเห็นไหมแม้แต่ชื่อของถ้ำมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าถ้ำของอะไรและทำไมถึงมีชื่ออย่างนั้นเอาล่ะเราจะมาพิสูจน์กันอีกทีลุงฟาพวกเราทั้งหมดไปที่ถ้ำที่เป็นจุดหมายนั้นเถอะ ถ้าหาสิ่งที่เลื้อยมาเป็นไฟตลอดเส้นทางนี้มีรอยเลื้อยเข้าไปในถ้ำนั้นก็ชัดเจนแล้วสิ่งที่เราเห็นร่องรอยอยู่นี่คือพยา น, นาคแน่เอาละ่ะเราไปดูกันที่ถ้านั่นได้แล้วแต่นั้นอินอยากจะถอยหลังกลับอ้อมไปทางซ้ายมือของเชิงเขาตามที่นายหญิงท้วงแต่แรกดีกว่าเราเห็นรอยเลื้อยไปแบบนี้แล้วจะไปตามรอยเข้าอยู่ทําไมให้เกิดพิบัติภัยขึ้น นา้นอินพูดอ่อยๆแต่ดารินสั่นสิษะถ้าไม่ตามไปดูให้รู้ชัดเราก็เก็บความสงสัยไว้อยู่นี่เองไปเถอะลุงอินถึงแม้ฉันจะไม่เก่งทางไสยศาสตร์เท่าลุงฉันก็มีพระพุทธคุณซึ่งเหนือกว่าไสายศาสตร์เป็นเครื่องคุ้มตัวและเชื่อว่าคุ้มครองพวกเราทั้งคณะไว้ได้ด้วยเราไปดูให้รู้ชัดว่าเขาบ่ายหน้าเข้าไปในถน้ำนาคราจริงหรือเปล่าถ้ามีรอยว่าเขาได้เข้าไปในนั้น เราก็ค่อยปรึกษากันใหม่ว่าจะหาทางหลีกเลี่ยงไปทางด้านไหนแต่ถ้าเขาไม่ได้เข้าไปในนั้นเราก็จะเลือกเข้าไปในถ้านั้นพรานชดกับทุกคนว่ายังไงพรานเท่าขอความเห็นไปยังทุกคนทดลองทําตามนายหญิงว่านี่ก็แล้วกันฉันก็อยากจะดูทิศทางการเลื้อยไปของสิ่งประหลาด น, นี้เหมือนกันเราก็ไม่ได้มีจิตใจเป็นศัตรูหรือจะคิดลองดีต่อต้านอะไรเขา เราเพียงแต่ต้องการรู้เท่านั้นอนุชาบา ร, ราลิเป็นผู้ตัดสินใจเชษฐาพยักหน้าลงอย่างง่ายๆชายันจบมือขึ้นเหนือศีรษะสวดพระคาถาชิ น, นบัญชอนบทแรกกระท่อนกระแท่นพืมพ ร, รมอยู่ในลำคอเท่าที่จะจำได้ส่วนดารินมั่นใจอำนาจจิตของหล่อนอย่างเต็มที่ถ้าการติดตามราฟีในครั้งนี้จะนามาซึ่งวาระสุดท้ายของชีวิตหลอนก็ยอมมานานแล้ว ภาวนาสวดแผ่เมตตาให้แกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งอินพรหมยมยักษ์และสรรพสิ่งในอบายยาภูมิตามที่ระพินได้เคยครอบไว้ให้เมื่อทุกคนพร้องดอนก็หันไปร้องสั่งกระด้วนทันทีด้วนฉันขอสั่งให้เธอนำหน้าไปนำไปที่ถ้ำหน้าคราดแต่ถ้าเธอจะไปไม่ได้ก็ขอให้หยุดลงในทันทีแล้วไปอยู่ข้างหลังส่วนฉันจะนำเองเข้าใจไหม คราวนี้เจ้าด้วนดูเหมือนจะเข้าใจได้ดีที่สุดมันหมุนตัวออกเดินทันทีโดยเทียบขนานไปกับรอยการไหม้เป็นทางประหลาดของป่าเทาวันขนาดใหญ่นั้นไม่ยอมเข้าชิดเหมือนกันและเลาะอ้อมไปทั้งคณะออกเดินตามไปทันทีคราวนี้ไม่มีใครมายับยั้งดารินได้อีกแล้วลอนออกเดินตีคู่ไปกับเจ้าด้วนมีนานอินและอนุชาประกบติดไปเบื้องหลังอย่างกระชันชิด ทายไม่ผิดหรอกนายชดทางเลื้อยบ่ายหน้าไปทางปากถ้ำหน้าคราดจริงๆเสียงครูฟรานกระซิบกับคุณชายเบาที่สุดอนุชาไม่เอ่ยอะไรทั้งสิ้นก้าวเนิบๆไปด้วยสติกำลังใจที่มีอยู่อย่างพร้อมมูลเยี่ยงนักาจนภัยที่ดีเยี่ยมที่หน้าคนหัวลุกมากไปกว่าเห็นรอยไหม้เป็นฐานจากเถาวันแห้งขนาดใหญ่นั้นก็คือบางตอนเป็นที่โลง่งมีแต่ย่อมหิน รอยไหม้ชนิดเดียวกันนั้นทาบทับลงไปบนหินแปรสีสันของหินตามธรรมชาติบริเวณนั้นกลายเป็นดำคล้ำเรากับใครเอาเครื่องพ่นไฟมาฉีดไว้เป็นแถบกว้างประมาณสองเมตรครึ่งไอที่เห็นและเข้าใจเดออุปมาณกันไว้แต่แรกว่าเรากับใครมาลากท่อนตุงที่ไหม้ติดไฟผ่านไปนั้นเป็นการคำนวณคาดคะเนต่ากว่าสภาพความจริงไปแล้ว าจากหลักวิชาฟิสิกส์ที่ทุกคนเคยเรียนผ่านกันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะด้านการทหารก็ดีหรือการแพทย์ก็ดีพ่อจะบอกได้ว่าระดับความร้อนมันจะต้องรุนแรงไม่ต่ำกว่า2ควันองศา F แน่นอนถ้าว่าก็ยิ่งเป็นที่น่าแปลกเพราะความร้อนมากมายระดับนั้นมันจำกัดแวดวงอยู่เฉพาะตำแหน่งที่เจ้าสิ่งนั้นทาบตัวลงไปเท่านั้น ไม่ได้เปล่งแผ่ออกไปในรัศมีรอบด้านหาไม่เช่นนั้นป่าเถาวันแห้งทั้งป่าจะกลายเป็นทะเลเพลิงไปในทันทีไม่มีใครปรีบากหรือแสดงความเห็นใดเลยตามระยะทางที่เดินตามการนำของเจ้าด่วนไปและชั่วไม่นานตามทางที่เดินตีขนานคู่เส้นทางเลื้อยไปนั้นทุกคนก็คลางออกมาอีกอย่างไม่รู้ตัวเมื่อมาเผชิญหน้ากับป่าทาน ดำเกรียมไปหมดทั้งบริเวณเบื้องหน้าอาณาเขตไม่ต่ำกว่า200ตารางวาซึ่งแต่เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นกอเถาวัลย์ทึบอันขึ้นปิดบังอยู่หน้าเวงปากทางเข้าของโครงอันทะลุเข้าไปใต้คุนเขาใหญ่ปากถ้ำหน้าคราชใช่แล้วแต่ป่าหน้าปากถ้ำไม่หมดเลยเสียงนานอินอุทานออกมาตาทั้งสองที่จ้องออกไปลืมโครง เจ้าด้วนอยุดงักแล้วไม่ยอมเดินต่อไปชูงวงขึ้นส่งเสียงร้องแแอ่ออกมาเบาๆกายของมันสั่นเทิมดารินตบเบาๆลงที่ขาหน้าของมันเหมือนควานที่ปลอบช้างเลี้ยงและหยุดพิจารณาดูปากทางเข้าประหลาดซึ่งมีขนาดสูงราวสี่เมตรและกว้างเป็นรูปวงรีคล้ายไข่ตั้งขวางอยู่นั้นประมาณ8เมตรอันจัดว่าเป็นช่องทางขนาดใหญ่พอสมควร นอกจากซากของพืชพันธุ์ที่เคยขึ้นอยู่จะกลายเป็นโดงฐ่านไปหมดแล้วหิ้นทุกก้อนบริเวณปากทางเข้านั้นก็ยังเป็นรอยถูกเผาไหม้เกรียมไปหมดคล้ายๆกับว่าถ้าแม้ใช้อะไรแข็งๆกระทุง้งมันก็แทบจะหลุดทลายออกมาเป็นกระบิ่กระไอความร้อนราวกับลมพัดผ่านเตามหายักษพัดออกมาวูบจากปากถ้ำนั้นสัมผัสกับร่างกายของทุกคนเป็นระยะๆ ไมายความว่ายังไงกันนี่ครั้งแรกก็เป็นรอยไหม้เป็นทางมาเฉยๆแต่พอจะผ่านเข้าปากถ้ำปาเท้าวันหน้าบริเวณปากถ้ำกลายเป็นฐานไปทั้งหมดเลยอย่างกับใครมาเผาไว้ใช้ยันเอ่ยขึ้นแหบแพงระอุไอร้อนจากดวงตะวันเบื้องบนยามบ่ายก็ดีความร้อนลึกลับที่โชยเป็นระลอกออกมาจากปากถ้ำก็ดี ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในนรกไฟอันมองไม่เห็นเปลวถ้าสมมติฐานเกี่ยวกับสางหาที่ลุงอินบอกไว้เป็นเรื่องจริงเชษถาเอ่ยขึ้นช้าๆใช้ผ้าขนหนูพันคอเช็ดเหงื่อบนใบหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าก็น่าจะแปลว่าก่อนที่เขาจะเข้าถ้ำใต้ภูเขานี้ไปจะต้องเปล่งรังสีในตัวร้อนแรงขึ้นกว่าเดิม จนทำให้เกิดไฟไหม้เฉพาะที่ขึ้นบริเวณปากทางเข้าเหล่านี้จนกิ่งเถาวันกลายเป็นถ่านกินอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไปทั่วและที่ปากทางถ้ำนั้นก็ไหม้ราวกับโดนระเบิดนาปามเอเจอเอาของแปลกที่ไม่เคยพบมาก่อนเข้าแล้วสิผมจะเข้าไปสำรวจใกล้ๆตรงปากถ้ำนั่นครับใครจะตามเข้ามาด้วยไหมอนุชาเอ่ยขึ้นเคร่งขึน ก่อนที่ใครจะเอ่ยหรือขยับขยื่นตัวอย่างไรดารินก็ขัดมาโดยเร็วเดี๋ยวก่อนค่ะพี่กลางหยุดช่างใจสักนิดเถอะสังเกตดูแม้แต่เจ้าด้วงก็ยังไม่กล้าเข้าไปเลยไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกหน้าธรรมชาติของสัตว์ป่าทุกชนิดมันกลัวความร้อนกลัวไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันถึงไม่กล้าเข้าใกล้แต่เราเป็นคนมีสตินึกคิด มีการอย่างเทียบถึงอัตราความร้อนที่กำลังเผชินอยู่ได้ว่ามันจะอยู่ในเกณฑ์ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่และถ้าคับขันเราก็พอจะถอยออกทันอนุชาบอกอย่างคนบ้าระหัในป่านั้นเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยยันต่ออะไรเลยสักอย่างและกล้ากว่านานอินซะอีกถ้างั้นขอให้น้อยถามอะไรลุงอินสักสองสาคำก่อนดารินพูดโดยเร็ว แล้วมองไปทางครูพรานผู้เฒ่าอันยังยืนตัวแข็งอยู่เลี่ยงเข้าไปจนทิดแก่แน่ใจใช่ไหมว่านี่คือถ้ำนาคราชลุงอินใช่แน่นายหญิงแก้ตอบเกือบไม่มีเสียงฉันอยากรู้ว่าใครเป็นคนตั้งชื่อถ้ำนี้ลุงไปได้ชื่อนี้มาจากไหนพระทูดงที่เป็นอาจารย์ของนานอินบอกไว้ลุงเคยบอกว่าลุงเคยผ่านรอดเข้าไปในถ้ำนี้ก่อนแล้ว และมีทางทะลุออกไปได้ถูกต้องไหมนานอินพยักหน้ายิ้งสาถามต่อไปทันทีว่านานเท่าไหร่แล้วที่ลุงเคยผ่านเข้าไปในถ้า น, นี้และเคยผ่านเข้าออกมาแล้วกี่ครั้งนานอินจำไม่ได้มันนานมาแล้วไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีในสมัยที่เคยพบแง่ทรายตอนเป็นเด็กเล็กๆ เ, เดินหลงป่า ก, กับแม่ของมันนั่นแหละเคยอาศัยผ่านเข้าออกเพื่อย่นทางครั้งเดียวเท่านั้น หล่อนพยักหน้าในสมัยนั้นป่าเทาวันบริเวณปากถ้ำนี้เป็นยังไงบ้างเคยพบมีรอยไหม้ดำเป็นทางอย่างนี้ไหมแกสั่นหัวไม่มีนางหญิงป่าเทาวันยักแผลปากถ้ำสมัยที่หนานอินผ่านเข้าออกจะขึ้นทึบหนานแน่นปิดบังซ่อนปากถ้ำเอาไว้หนานยินผ่านเข้าออกครั้งเดียวก็จริงแต่ก็เคยเดินเฉียดผ่านทางด้านนอกอยู่สองสาครั้งก็อย่างที่บอกไว้ บางฤดูมันเป็นเถาวันเขียวะอุ่มเต็มไปด้วยใบยสดถ้าฝนตกชุกถ้านหน้าแรงมันก็ตายซากอย่างที่เห็นอยู่นี่แต่ไม่เคยมีไฟป่ากเกิดขึ้นเลยคราวนี้จะขอถามถึงภายในบริเวณตัวถ้ำสภาพโดยทั่วๆ่วไปของมันเป็นยังไงก็เป็นถ้ำธรรมดาคดเคี้ยวปีทางแยกไปหลายทางบางทางตันบางทางก็ทะลุโขลออกได้ ถ้าเลือกทางถูกไม่เกินสองชั่วโมงเราจะโผล่ออกตรงรอยบรรจบของหุบเขาสองลูกบริเวณหนึ่งข้างในผนังบางแห่งมีหินสวยๆเกาะ อ, อยู่เหมือนเพชรนินตินดาบางแห่งก็เป็นหินดำเหมือนนินอากาศข้างในค่อนข้างร้อนอ้าวมากผิดกับถ้มอื่นๆที่เข้าไปข้างในมักจะเย็นร้อนขนาดไหนเหมือนที่เรายืนกันอยู่ปากทางนี่ได้ไหมรอนซักละเอียดยิบ ขนาดนั้นทุกคนยืนเผชิญ อ, อยู่หน้าปากถ้ำห่างประมาณยี่สิบเมตรก็ไม่ร้อนถึงขนาดที่เร า, าพบวันนี้รอกนายหญิงแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้นาหญิงกะทุกคนฟังให้ดีเถอะมันมีเสียงคล้ายๆอะไรเดือดคลักๆดังออกมาจากในรูถ้ำนั่นไม่ดังนะักแต่ให้ฟังให้ดีแล้วจะได้ยินทุกคนกลั้นใจเงี่ยวหูและเชษฐาก็พยักหน้าบอกว่าใช่ มีเสียงคล้ายๆใครเคียวของเหลวๆค้นๆ อ, อยู่ข้างในถ้ำนั่นแต่ลึกเข้าไปมากแล้ตายเถอะถ้าไม่ใช่พระอุปทานฉันรู้สึกว่าจะได้กลิ่นโคลนไหม่ผสมกับกลิ่นกรรมฐานโชยออกมาจางๆทั้งหมดเงียบกันไปอีกพยายามใช้คาณประสาทเต็มที่เป็นจริงตามที่เชษฐาว่ากลิ่นประหลาดอันมีกรรมฐานแะแระธาตุางอย่าง โชยกรุ่นออกมาเป็นระยะระยะและเมื่อจ้องสังเกตให้ดีก็มองเห็นหมอกไอบางๆลอยออกจากหน้าปากถ้ำด้วยช่องทางมุดลอดเข้าใต้ภูเขาไฟไม่มีปัญหาชายยานทําจมูกฟูดฟิตแล้วโล่งออกมาแต่ปัญหามันมีก็ตรงที่ว่าสิ่งประหลาดนั้นเลือ้อยผ่านเข้าไปได้ยังไงผู้ตั้งคำถามลอยๆคืออนุชาวราริศ ก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าสิ่งนั้นมีธาตุเป็นอะคีหรือธาตุไฟอยู่ในตัวเองอยู่แล้วตัวเขาเองก็คือตัวไฟทำไมถึงจะเข้าไปในแหล่งไฟหรือแหล่งความร้อนไม่ได้น้อยหมายถึงสิ่งที่ลุงอินเรียกสางหานั่นแหละที่กลางจะเข้าไปสำรวจใกล้ๆใช่ไหมคะไปน้อยขอเข้าไปด้วยหลอนกล่าวอย่างตัดสินใจเด็ดขาดพร้อมกับตัวเองก็ก้านาออกไปทันที ตรงเข้าหาปากทางเข้าอันเป็นโครงดาเกรียมอยู่นั้นช้าๆอนุชานานอินเทธาและชัยยันก็กล้าตามเข้าไปด้วยทันทีในขณะที่สั่งให้พวกลูกหาบรอคอยอยู่ตาแหน่งเดิมภายใต้การควบคุมของขยินส่วนเจ้าด้วนก็ยังคงร่วมกลุ่มอยู่กับลูกหาพวกนั้นไม่บางอาจพอที่จะย่างตามเข้าไปด้วยซึ่งดารินก็ไม่เรียกมันอีก